ฟังังคำเนี่ยพูดพูดก็น่าพู ด, พ ด, พดจะไปฟังเรื่องเืินเกินเกินไปหรือหมามันไม่อยากมันว่าลูกมันขอกินหูคนที่มันตายแบบมันแม่มันบอกเอออย่ายกินเลยหูมันมนุษย์เนี่ยคนเราเนี่ย ประสบ โ, โวชววฟังเสียงเพงเสียงดนตรีเฉียงสอกสดไปต่างต่างนะหูงเราเนี่ยกาาหันหมาฟังธกันเถอะุณผู ก, ก็อย่าพูด เ, เ, ร, เ, เรื่องอื่นกันไปบ้านกลางเมืองเรื่องนักนตางเรื่องคิดเึ้นผูกกันกันตา เวาฟังเนี่ยเรื่องของเราเนี่ยเรื่องของเราก็มีการมีใจนี่ปัญหาก็มีอยู่ที่กายใจนี่การแก้ปัญหาก็มาแก้ที่กายใจนี่ไมนเหมือนกันนั่นแหละเรามันเดียวกันกายใจนี่ก็ไม่เที่ยงกายใจนี่ก็ไม่ใช่ตัวตน เิงมันต่อไปอีกก็ยิง่งแน่ยิงไม่เที่ยงมากที่สุดเลยความรักความังความโกรธความทุกข์ที่ตกควบนเข้ามายิ่งไม่เที่ยงเ้วก็ไปหลงในความเที่ยงมากมายเชื่เวลาเวลาจะเยอมาเห็น เชื่อฉันไอความไม่เที่ยงจะได้บรรลุธรรมเพราะความไม่เที่ยงมาเห็นสักความเป็นทุกน่ะจะได้บรุธรรมเพราะความบรรทุกมาเห็นสัาอันกายใจนี่มันไม่ใช่ตัวตนจะได้บรรลุธรรมเพราะความไม่ใช่ตัวตนนี่เพียงพอแล้วเป็นความล่มรวยในด้านอ่า ธรระในด้านทัพย์ภายในเหมือกับเพียงพอพอเพียงเหมือนเศ ร, รษฐกิจพอเพียงเหกับการหลวงองค์ท่านพูดอันนี้เราไม่เห็นน่ะไปลักเน่ยวันเพียงพอพอเพียงที่สุดเลยในชีวิตเรามีรสชาติที่ยอดเยี่ยมมากชะพลัดสังสมาระโ ส, ส, ะ ส, ส, ะ ส, สกินาตี รถประทอมย่อมชนรถต้องห่วงคือไตรลักเนี่ยมันมันอ้ยมันชื่นใจมันไม่มีหลุมไม่บก่กไม่มีวกวนีนน้ำอะไรเล ย, เลยถ้าเราเห็นไตรลักทณ้งควา ม, มาจริงไน่เจราบยอดสำเสริมก็ตบอยู่ในไตรลั ก, กันอะไรมารวมอยู่ที่ใตรลักทั้งหมดเลย มเที่งกเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดในโลกนี้จะเป็นสัรหาเรืองทรัพย์วิสัหรรอัพย์ทรัพยที่เไหวได้ทัพที่เไวได้วัตถุย่อยต่างๆต้นไม้ภูเขาตอดีดอินในโลกทั้งหมดเลยกอยู่ม่านั้งแต่ักแล้วก็ไม่ค่อยหยับเห็นชื่อเรื่องนี้ ปกบวนเกลื่อนพอเรามาศึกษาธรรมะนะงานจิติญญาณเห็นกายเห็นใจเห็นลูกเห็นนามนี่โอ้ยชัดเจนมากเห็น <c oughs> ถ้าเห็นกายเห็นใจไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ <c oughs> เห็นเป็นลูกทา <c oughs> เห็นเป็นนามทำเนี่ยโอ้ตรงปเลยจบยู่ในใจดัก น, นัพาเราไปเหมือน พวกเธอยานที่เปยางรู้ที่เห็นอะไรเนี่ยมันยานเหมือนพวกเธอเหมือนทางที่ขนส่งเราให้บุตรชายคนทุกสิ่งทุกอย่างแง่หลวงพ่อเทียนนะสอนเรื่งจริงที่สุดเลยทำให้เราเห็นใจลักหืันทุกเจ้าได้ตัดตัวชา่คนไม่มีใครสอนหารู้ๆรื่ เรามาปฏิบัติมสึกสายเห็นผุ้ทำเห็นดังทำหลงเห็นต่อน้าตากันจริงๆ น, นกวิทยสนส เ, เรารู้จกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ู้จากคนรู้าจากบ่ารู้จักศากสานาู้กจกชีวิตของเราจากหลวงไม่มีอะไรที่ไม่รู้เลยชีวิตของเราูหมดอะไรอยู่ตรงไห ลูกหมดลลูกทุกนามทุกลูกทำนามทำมันอยู่ที่ไหนมันเข้าแถ ว, แ ว, วแให้เราดูเข้าแถให้เราดูนันเราดูหนังดูทีวีมันแดเราดูของจริงงไม่จริงไม่ต้องไปหา ให้เราเห็นเองถ้าเราเห็นลูกเป็นนามหรออะไรมาหมดเลยความถี่ควถูกมาหมดเลยเอาเสนอนี่คือใจรักความไม่เที่ยงนะนี่ความจะทุกนะอย่ามายึดเอาเราว่าเป็นตัวของท่านนี่ความมาช่วยตัวตนนะอย่าไปยึดเอาว่าเราความมาช่วยตนว่าเ ป, วเป็นตัวเป็นดนของท่านอย่าหลงนะ นันก็เป็นอย่างนั้นของจริงมันบอกของไม่จริงมันบอกให้ต้องไปถามใคร่การปัจเตันเหเองเห็ูกเห็นนามเห็นคมหลงเห็นทุกข์เห็นความรู้ความรู้ก็เห็นมหลงก็เห็นควความทุกข์เห็นหมดย รับความชังต้องพอใจเสียใจเอ่ไต่างๆเขีนหมดเยแต่ก่อนเราหลงเรื่องเดียวหลงตลอดสื่สิห้าสิปีนู่นสปีนู่นใ้ความหลงมาที่ใดก็หลงอยู่ด้ยในความทุกข์มาทีใดก็ทุกข์อยู่้วยในคนมปวมาทีใดก็อยู่ด้วยแตบางทีมันก็ไม่มี่ล บาอทีมก็ไปโทษด้วยยังไปหลงมันอยู่โกรธที่เด้มันกิดไม่ได้นอนไม่หลับก็ออยังไปโกรธไปโทษด้วยไปดไปูจับมันจะมาแบบพ่ อ, องูหลงสมโกรธหมดเลยนั่น่ติดตามนฟังื่งกรู้ถ้าเรากโกรธคนอื่นก็มองเราเขากโขากรธเยอะกว่าเร บางทีลกูกน้อยเหมนข้อแม่ปวดอยากไปเ่ยวเที่ยว้าข้อปนวะดแล้วไถูกไม่เดียวนะี่ก็ยังได้ินคนพูด อ, อยถ้ากรูได้ปวเเนนนะดเราไม่เหมือนคนะนนี้ น, นะนะาานนะถ้ากูได้ปวดเราไม่เหมือนครูนะคนอื่นจะแล้วนะอย่ามาเล่นกับครูนะถ้าคูได้ปวดกูไม่เป็นคนนี้นะมันประกาศตลอด ัมูมันไม่ใช่เรื่องบอกกันมาจับตามาดูตุ้มมือมาดู่มามีกลมลูกจุกวเนี่ยลองทำดูสิยกมือเคลื่อนไว้ไปมาเนี่มันลู่อยู่นี่มันจะเห็นสัาผัสที่หลงถ้ามันหลงทีไรก็ลูท่ทีนั่นเมื่อมีตั้งต้นจากตัวลู่เป็นเสาหลักแล้วมันก็ปักได้ อะไรที่มันถัาเปนวัตถุอยู่ที่นี่บ้ามันก็มีที่ปัดช น, นิดนี้อยู่แล้วที่กายของเรานะ่ยรูปของเราเนะีะยใจของเรามือนนะั้มันไปไหนก็อย่าไปตามมันจะเกิดอะไรขึ้นที่อื่นก็อย่าไปมันมีที่ปัดอยู่แล้วมีการเคลื่อนไหวไปมาอยู่นี่เห็นอยู่นี่ต่อร่าโงโดยสัปดาห์สองชั่วโมง หายช่วมงลองดูด้วยการสร้างจักหวะหรือการเดินจังปรมการเคลื่อนไหวของกายของรูกเนี่ยอย่าอยู่นิ่ ง, งเคลื่อนไหวให้มันรู้สภาพที่รูปไม่ใช่บทท่องจำการสัมผัสเอาที่สมบูรณ์แบบั้งองวัตถุก็เห็นมือเคลื่อนไหวไปมาอยู่เนี่ยทํามันเคลื่อนไหวให้มันรู้รู้ไปพร้อมกัน มีวัตถุเคลื่อนไหวมีกลมลู่ไปสับสนเคลื่อนไหวนั้นอวันตารานั้นแหละอะไรจะจริงเท่านี้การศึกษานะ่ะมันเป็นตะกัศิลามันเป็นแคตอุดมศึกษานื้ก็มีจริงจริงเคลื่อนไหวยกไปยกมาอยู่ที่ก็มีจริงจริงใครจะมาว่าเราไม่มีการเคลื่อนไหวก็ไม่ต้องมาบอก เรยกมือเราก็รู้วางมือลงก็รู้เนี่ยหรือเราเดินไปก็หนึ่งสองเข้าเราก็รู้เนี่ยไอรู้มันเป็นอะไรก็วาเป็นอะไยู่ <c oughs> แล้วแต่ถ้าที่รู้ลองอยู่นานๆลองดูรู้นานๆลองดูเพ็นมหาลู่ลองดูที่จอจนลองดูเนี่ยอาเช่นเรื่องที่รติมาศรัทธาเรามาทําดูไม่กังกระทํา เริกว่กรรมฐานเนี่ยกรรมฐานเนี่ยเป็นวิชาที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มีลิมีปฏิหารฤิทได้ปฏิหารคือเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้ได้สาเร็จได้เปลี่ยนทีเป็นรู้ได้เปลี่ยนทุกขเป็นรู้ได้เปลี่ยนโกรธเป็นรู้ได้ ไอ้ที่มันไม่ใช่กดดบูเปียนในบทที่ปฏิหารเหนือนกับต้นที่ตายไปที่เป็นตรลูกซึ่งวนะที่้เป็นมันตายลยที่เป็ น, นะปนมันหลงหลงตายมันห ล, ลงหมดสภาพแบบรูปขึ้นมามันเป็นขึ้นมารูปขึ้นมา อะไรที่มันไม่ใช่คนรู ق, ้คนรู้ไปใสเนะ่ยเป็นคนรู้ในถนัดที่ผิดเป็นผิดที่ถูกเป็นโกต่ความทีรูน้นะ่ไม่ไดไปเชื่อครไม่เชื่อตัวเองนี่คือการศึกษาเรื่องวิชากรรมฐานให้เหมือนึกษาวิชาอันหนื่ง แดีวก็มัมาจะจำแนกตัวเองอันนี้ที่ต้องเราจะจำแน่ตัวเองไม่ต้องไปคิดให้เห็นหนกฝนว่าเดี๋ยวเราให้รู้สิกตัวโตตกันไปนานๆเดาน๋จะลงตูตอนไปชิดให้เแ่ฝนลแล้วผิดแล้วถูกปัญชัยทำเนื้อติดเนื้ถูกเลยทีเดียวผมลู้สึกตัวน่ะไห้จุกเน้อถูกเลยเมื้อทุกอย่างเลยอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เรา ต้องจะตื่นถ้จะมีสติแตมันไม่เป็นไปกับอะไรเลยแม่ร่างกายแม่ลูกยังจะเป็นอะไรก็เห็นมันนั่นปวดลั่เมื่องนั่งนานๆก็เห็นมันอยจะให้ก็ปวดจะมัยเป็นใหญ่เป็นตัวลูกที่เขาไปเกี่ยวข้องวันสุกวนทุกก็เป็นตัวลูกเขาไปเกี่ยวขอ้องจะไปสุกไปทุกให้หนี้ตัลูก ไปตรงนี้อย่าไปสุกอย่าไปพุบใจความสุกควาทุ ก, ก, ก, ก, ก, กมาขวางขั้นความรู้สึกตัวดูดีๆตรงนี้ถ้าไปดูตรงนี้ดีอาจจะจะไม่แก่ข้ า, าความรู้สึกตัวจะไม่เสื่อข้าเหมือยอดไม้ยอดมะม่วงถ้ามันไม่เกื่อขามันก็ไม่ออกลูกมะม่วงที่ไม่เกิดลูกมันตอบ ยอดตีเรื่อยคือดูที่มันจะให้ยอดมันเจียมปิดยอดตัวร้อยก็เลยมันมีลูกจะตีอันสองู น, นี่ก็เหมือนกันพอจะลูกไปนา น, าานแล้วเกิดยอดอขึ้นมาใส่สุกแล้วยอดอันหนึ่งเราเป็นกแล้วเป็นหลงแล้วเป็นปิดเป็นถูกแล้วแล้วก็เพี่ยนไปแล้วลุกตายพันไปแล้วเหมือนข้าวพันดีๆ เอามาทำไปทำไปเกิดเป็นข้าพันปลายไปแล้วก็เมื่อมันตายพันไปมากๆากปกินไม่ดีแข็งได้ก็ไม่ค่อยได้ผลอันนี้อันนาก็เป็นวัตถุอันความรู้สึกตัวเ น, น่มันจะไปเป็นคิตตยานเป็นปัญนูไ ด, ด้คิดคิดเจง อันจิตอันถูกหมดมันจะอลไรทำแต่อันที่เป็นกายเป็นจิตเป็นถูกเป็นลูกเป็นอะไรต่างๆมันไม่ใช่ของจริงมันหมดเป็นอายุไม่มีมีอายุน้อยเป็นความถูกในที่ปัจจุบันหมดไปเป็นตรงลูกก็หมดเป็นจืดเป็นไม่ใช่ตัวจริง บางค น, นหอบเอาคนลูกที่ได้จากกินทยานตายเป็นวิปัสสนูเป็นกิจทยานไปจะเป็นนักเทศนักสอนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเกินสองปี ส, สีโดอดเลยเอาไปมาไม่ดูจกอ่อแล้วก็มีที่ถ่มานะไม่กลัวบาไม่มีาการเคารพกันงฆกรรมอะไรก็ สำคัญว่าดีกุศาเลือดกเขาไปเลยเป็นมานาทิติอนนนจายนากายพันปฏิบัติธรรมเนยมีความรู้สึกวัวมันมันถูกท่องที่สุดอ่อน้อมต่อมตนพอโบไม่ตึงไม่เบียกไม่ยือไม่หย่อนไปต่างๆพอดีพอดีเป็นมัชฌิมาปฏิปทา มันลงก็รู้ไม่ต้นไหวสักหน่อยมันถูกก็รู้มันสุกก็รู้มันทุกก็รู้อ้ายต่างๆคือมันมีตัวรู้ตัวรู้นี่ไม่ก็ทบกระเทือนสิ่งใเลแต่เหมือนเข็มในเข็มนมิตร์ที่มันใส่มาตรฐานว่ามันถูกอะไรปรับต้องขับขก้นมาที่ศ มลอยแล้ววันนี้เหมือนไม่เครื่องขยายที่เราพูดพอพูดใช่เสียงพูดมันดีไปแล้ก็กลับมาทั้งที่ตรงนั้นไม่ไกลเลยแต่มิเตอร์อันใดที่มันไปแต่วัตถอไม่กลับมาอ่านใช่ไหมล่ะตัวลู่เนี่ยมันกลับมาตัวลู่มันหลงก็ลู่มันกลับมาแล้วมันทุตก็ลู่กลับมาแล้ว ก็ลูกกลับมาแล้วมันติดก็ลูกกลับมาแล้วอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่ก็ลูกมันกลับมาสภาพติดลูกทั้งหมดเนี่ยเทียนมันจะเด็กนิดเดียวมันก็มีอันกองกระเด็กนิ่เดียวมันมันสําเร็จแล้วมันชาบแล้วมันทําหน้าที่แล้วพอมันทำให้ดูแลดึงตัวตรงดูที่ อย่าไปเชื่อใครอย่าไปศรัทธาใครทั้งหมดเลยถาได้หลับก็มีแล้วออกไปเถอะทาไ่ไหนก็เป็นเองมีมักมีผลนทำได้หนนั่นเองไม่ใช่ไปเอาความดีจากคน อ, อื่นีืู่ปแบบื่นบางทีเราไปหลงในรูปแบบอื่นก็มีผู้แอบแฝงพิธีกรรมอะต่าง ไม่ใช่กรรมฐานจะทำให้ดีให้ถูกให้งการประกอพิธีกรรมนั้นการศึนษาสนรพิธีก็ถูกสารพิธีมันเป็นสูตรปัญญาอย่างธรรมวินเนี่ยที่มันเป็นวินัยมันเป็นชาบิในจริงๆรมันวิคือวิเศษในยัก์ในคือนไปอย่างวิเศษแล้วอันที่ วิในที่เป็นเป็นพ่อห้ามมันเป็นสำหรั บ, บคนที่ยากถ้ามีวิในจริงๆนาไปดีแล้วคือสติวิธรรมมิรไหนี่มันนําไปดีแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมันนําไปดีแล้วมีหมดในทำวิในนี้มันเป็นมรรผลนิพนธิแล้ไม่ใช่วิในเด้อ แค่แค่คนแ ค, น ค, นค่ยากคนแค่ยากงันทําไหนก็ไม่ดีแต่คนผู้นั้นก็หาวิธีทําให้ดีอย่างอื่ น, น, น, น, น, รร น, น, นไม่ใช่เป็นกรรมฐานกรรมฐานนี่มันศักดิ์สิทธิ์มันเปลี่ยนนิสัยใจค อ, อได้เปลี่ยนได้จริงๆมีความรู้สึกลัวก็เป็นศิลนะ้มีความรู้สึกตัวก็เป็นสมาธิแล้วมีความรู้สึกตัวก็เป็นปัญญาแล้ว ก็จึงเป็นคำไม่ไหนแล้วก็ไม่ได้คิดไปไหนแม้จะคิดไปขึ้นมาไม่ได้ไปให้ผิดศิลเลยเราก็นั่นววงอยู่นี่รับรวมอยู่นี่สีตก็มีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นศิลก็วัดดีสุดมากขึ้นแต่ก่อนหลงมากกว่ารู้อาจจะเป็นศิลป์ด่างค่อยนิดหน่อยแต่ไม่ถึงทะลุ พอวันลูกมันก็ดีขึ้นมาแล้วพอวันหลงก็ลูกมันอะไรพอลูกพอลูกมันก็ดีดีขึ้นดีขึ้ น, นเป็นฉินล้วขันทีโคเก่าเหมือนผ้าเนื้อดีใส่น้ําได้ใส่กอนมันหังหางคิดตน่นคิดนี้สิบปีเอามาคิดพอเห็นมันคิดเห็นเงินลูกออวนคิดแั่ตัวที่มันคี่ที่มันไม่ใช่ตัวลูกนั่นแหละไม่ใช่เป็นตัวลูก ได้ประโยชน์จากค้องไม่ใช่รู้อะไรก็ตามที่ไม่ใช่ความรู้ไม่เป็นประโยชน์นนอันหลงน่ะะได้ประโยชน์บรทุกนะ่ะได้ประโยชน์การจรติเป็นอย่างนี้ใช่เคดเชียรนะกหวไม่พอใจทาไมทาไมไม่มีพจิเจริญสติเพราาไมไม่มีเลยทาไมเจตนายไม่ไม่เจตนางนี้ไม่มี รู้เอารู้ออกถ้ามีคำว่ทาทำไมไม่มีกคำว่าขมข่าไม่มีแต่คำตออย่างนี้จึงมาวิสวดช่วยกันดูเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะมาเห็นมาลับลู่ด้วยกันอย่าไปเชื่อใครมาทำดูเ อ, เอง เราเนี่มันหลอกกันไม่ได้ลูกศิษย์หลอกอาจารย์ไม่ได้อาจารย์หลอกลูกศิษย์ไม่ได้เราเยกมือลู้สิตัวจังหวะลูกศิษยสี่ครั้งนะแสดงเดินได้ดัมเช่นตัวเดินเดินเดรบอกว่าิศตรงเนมืออยู่ไหนมืออยู่เขารู้ไหมเหนไมหลอลูถ ข้มือคนไม่อยู่เขามือของคนอยู่ข้างหลังเขาก็ไเชื่อกต่ึเชื่ออาจารย์เขาบอกว่าเขาู่ยเนี่ยไม่ใช่อาจารย์เขาบอกามันบอกืเราอยู่บอกนะว่ามือเราอยู่ข้างหลังอ่ั้ขึ้นังมือซ้ายขาึ้นวตั้งขึ้นดูชี้ดูยกขึ้นดูชีู้ไมก็รู้เนี่ยูเอง ไม่มีใครไปรู้ให้สัจธรรมสอนให้เรารู้เองทำเองพึ่งตนเอง้สิงไหนสอนให้พึ่งืวัตถุอื่นไม่ใช่ศัจธรรมเลยเดี๋ยวนี้เราไปพ่งกนเดินจึงองื่นวัตถุอื่นไม่ใช่พ่งตวเองเลย ตอนแอไม่มีคาว่ามั่นใจว่างแคนใ้ทางคือไม่เป็นอะไรกับอะรทาไปทาไปมันมั่นคงนไม่เป็นอะไรกับอะไรไไนนไเอ้กเ ล, ลกนถ้าใครถึงจุดนี้ราก็เอางัจบละชีวิตเขาทำนี้ก็พอแล้วไม่เป็นไรกับอะไรเลยเมผม มันผ่านจากความเป็นมาหมดแล้วผ่านการทุกข์ก ท, กทุกชาติแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยเนี่ยัน่นหมายถึงมันไม่ใช่ไม่ใช่ใชดือด้อไดมันเป็นข่านมาแล้วมันผ่านทัหมดแล้วไม่ต้องมาที่วายให้เราฟังมันเห็นแล้วอดลดท่าของควมสุขลดท่าขอทุก ทีกก่ตู้ก็ไต่างๆานมแล้วลก็เช่เนเดก็ไม่เป็นอะไรยิ่งใหญ่ ก, กว่ามันจึงเหนือทุกอย่างเราจึงมาศึกษกากันเถอะถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้มันจะมีมากเดี๋ยวนี้ก็มีแต่กันไปละคนไม่ชาิหรอกเื่อแดงบ้างเชื่อเหลืองบ้าง ขนุกเศษให้เป็นอะไรก็เป็นไปตามอะไรต่างไม่เป็นตัวของตัวเองยั้เชียวเวลาขอต่อไกันแล้วทุกคนนะพูเดเล่นๆไม่ได้นานนัเกิน เมื่อนะไดเราจะต้องอยู่ตรงนี้สักตื่มันยุ่งอะไรมากมากนา น, นาจะมีเวลาใสสักั้งนึงแล้วก็มีอย่างนี้แล้วก็มีี่ อ, อย่างนี้มีเป็นอย่างนี้มีอย่นี้ไม่ได้มีอะไรลี้ลัมาทำอยู่ด้วยกันนี้มาสวดมอนตรวจซ้อนทำด้วยกันอย่างนี้ มีตัวมีตนตักันรูเรืองแบบมีสติมันคืออย่างนี้รูติตัวอย่างนี้ทุกคนก็นทำได้ภาษาบาหีว่าสติภาษากัางกังประเทศไทว่ า, วามรูติตัวภาษาอส่นว่า่างนี้ย่นี้บอ เราปลุกลูกตื่ น, ห, นหรือยั ง, ห, งยหรือยังมันตื่นแล้วมันก็ช่วยวเนด้ถ้าคในบ้านถ้ามันไม่ตื่ น, มนไม่ตนตาลุกครับมันตื่นขึ้นมาการที่สงคาเกิดในส ม, สมัยสงครามโลกทีู่นแม่เริปลุกอ้วการดึงเครื่องบมา เรเน่ไปฝึกเขาบอกกอรฝึกท่านพีาไปกินแล้วกินแล้วหเยีแล้วหีแล้วต่าีแล้วื่แล้วก็กระตื้แความรู้สึกตัวเนี่ยอันเป็นภาษาต่างๆภาษาคนไทยพูดกัน้เรื่องาภาษาประเทศอื่นย่าื่พูดะอะไก็ม่เคยดู ีเรคนอันเดียวกันใครคนไหนก็อันเดียวกันนคมรู้สึกัวไม่ใช่ือมีกายก็เหมือนกันหมดมีใก็เหมือนกันหมดผมโกรธมเหมือนกันผมงเหมือนกันผมตุกเหมือนกันแต่มันสมมติเอาต่างๆกันเลยเฉยัไม่จงยากเาคน รู้สึกว่าเป็นสากลแห่งธําทั้งหลายไม่เห็นไหมั <c oughs> ้งแต่ผู้เล่นลัง อ, อยากไปคิดอะไรบ้านเราอยู่นี่ที่เตทีอ่อยู่น่องกันอยู่นี่ทุกยากลำบากอะไรก็บอกกันเราไม่ตอบในทิ้งกัน มอะไรก็บอกกันเจ็บแค่ป่วยก็บอกกันเราพอใจที่จะเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นกันและกันมิตรฝากตีฝากไข่ต่อกันและกันไม่ใช่ เ, เราไม่รับผิดชอบเราก็รับผิดชอบกันอยู่ทุกชีวิตอยู่ที่นี่ที่บอกใครก็ได้ไม่ต้องมาบอก เจาวาดเจ้าวาดก็มาอยู่แต่าวาดเรมีงานด้วยก็เราก็อยู่ด้วยกันอย่างถึงเจ้าของลงกันสุนตาลดสภาพลงเรื่ อ, อยๆไปทุนี้จะเป็ตรวดเลือดทั้งเกิดเช้าทั้งใ น, นสมองอีกวันที่ก็จะไปหาหมออีกกี่เดือนหมอนัดทั้งหนึ่งจนันที่โลกแล้ว วัดไปวัดมาทั้งสูงทั้งต่ำไม่ออกจิงอะไรก็ไม่รู้ร่างวัดปัณกาได้ร้อยสาวัดนี่เช่านี่ตั้งแต่ปีสามเลร้อเดสิบนั่นก็ไ่ถึงเไม่ถูกนีจัเพมันนี่ผมวัดต้องลงได้ร้ ก็ไม่เท่เหมือ น, นกันวีน่เืองของเราไม่ใช่การที่จอื่นนั้นก็ไม่เท่งกง อ, อางนะานี้กิเรายองเาไม่เดนได้ไลับันน้่อกแล้วัเ That, that's right